ทวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบรคะ่ะรายการสันสนีสนานาเรามาเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์กันที่นี่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 มนะคะมีดิฉันสันสนินฐาคพงเป็นผู้ดำเนินรายการและเช่นเดียวกับที่ผ่านมาเป็นเวลานานแล้วรายการนี้จะมีพระภิกษุที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของทุกคน ที่เป็นมงคลถ้าหากว่าเราปฏิบัติกันได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่คงทนเพราะเป็นความจริงบนโลกใหม่นี้ทั้งหมดนะคะเราก็ไปพบกับพระอาจารย์ไพบูรณอภิปุลโนเพื่อที่ท่านจะได้นําทุกท่านได้สู่ความเป็นมงคลตั้งแต่นาทีแรกๆของรายการด้วยการปฏิบัติของท่านเองภายใต้การนําของท่านไพบูรณนะคะเตรียมตัวปฏิบัติธรรมกับท่านกันคะ่ะกล่าวณวส ก, การคะ่ะท่านคะเชิญพาน ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะให้เราเป็นผู้ที่รักษาสติในะสติมาจากไหนสติมาจากการที่เราตั้งจิตเอาไว้นะตั้งจิตไว้ที่ไหนก็เอาสักจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะตั้งจิตของเราขึ้นในที่นี้พระเจ้าได้กล่าวถึงการใช้ลมหายใจนะเป็นฐานที่ตั้งนะเอาจิตของเรามาตั้งที่นี่จิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหรนะ่สติมันอยู่ที่นั่ น, นทันทีจิตอยู่กับลมหายใจ คือการระลึกถึงลมหายใจนะอาการที่จิตอยู่กับลมหายใจนั้นคือจิตกรมีสตนะิโดยการที่ให้เรามาระลึกถึงนะกำหนดรู้รับรู้ถึงสัมผัสนะที่อยู่ด้านในโพรงจมูกนะที่ลมมันผ่านเข้าผ่านออกอันนี้ทุกคนจะสามารถรับรู้ได้แต่ถ้าบางท่านยังรับรู้ไม่ได้นะก็ลองหายใจแรงๆสัก2อสครั้งเมื่อเราหายใจแรงๆสักสองสามครั้งนะรับรู้ได้ที่ตำแหน่งไหน เอาจิตของเรามาจดจ่อไว้ที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็ใ hey, ห้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่ตอไปอาการที่จิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนีนะ้เรียกว่าการมีสตินั่นะคือการเรามาระลึกถึงลมหายใจในขณะที่เราระลึกถึงลมหายใจนี้นะจิตของเราจดจ่ออยู่ที่นี่หูเราก็ฟังเสียงไปด้วยไดนะ้รับรู้สิ่งที่เป็นสิ่งต่างๆผ่านมาจะมีความคิดนั่นนีแตนะ่แต่ให้เรา ทรงจริตเราไว้อยู่กับลหมหายใจนะฟังเสียงไปด้วยรู้ลหมหายใจไปด้วยประศุทธี่จะได้พูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการบทพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณพระเจ้าบอกว่าเวลาที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้พึงระลึกถึงอย่างนี้ว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลส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 ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสง์ที่ควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาเป็นสง์ที่ควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสง์ที่ควรรับทักษิณาทานเป็นสง์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันเลี่ เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแต่นี่คือคำแปลของบทอิติปิโสที่เราสวดสวดกันเจริญพรค่ะสาธุค่ะคืออิติปิโสสวาคาโตและสุ ป, ปฏิปันโนเลยใช่อดระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดหน้าแถวตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มาเข้าใจในความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งมาทราบว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง ก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าหมูเราคิดถูกมากเลยแล้วก็เป็นโอกาสดีมากเลยที่มารู้ความหมายฐานจริงๆนะค่ะท่านบางคนเขาเนี่ยถึงขนาดพูดว่าการสวดแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับความศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองเราทุกๆอย่างจริงๆแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่ <ๆ S 1> แล้วก็จริงๆแล้วเป็นเช่นไรครท่านค่ะในเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าพูดถึงการที่เราจ ะ, ะมีธรรมะคุ้มครองธรรมะปกป้องเราเนี่ยก็คื อ, อาการที่เราจะ ได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องก็คือตุลน้องมีธรรมะอยู่ในใจถูกไหมการทรงไว้ซึ่งมีพุทธพุทโธนะพุทโธนี่คือผู้รู้นะคุณโยมเต๋อนะพุทโธคือความรู้ที่อยู่ในใจนะคือถ้าเราจะหมายถึงพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆอันนี้มันก็มีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่เห็นหน้ารายกายอันเน่า น, นี้ไม่ต้องมาเห็นก็ได้นัเพราะฉะนั้นะพุทธพุทโธเนี่ยไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าเป็นๆแต่เป็นคุณธรรมนะคุณธรรมสูงสุดเลยคือพระพุทธเจ้ามีคนเดียว แต่ว่าคุณจะทำในความรู้หอื่นเช่นเราเห็นความไม่เที่ยงพระวตรงนี้ยคุณเกิดความรู้แจ่มแจ้งขึ้นเนี่ยนี่พุทโธเลยนะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยตรงเนี้ยคือธรรมะที่คุณแจ่มแจ้งขึ้นพระวตรงนเนี้ยเนี่ยคือคือมันมีพุทโธเกิดขึ้นเนี่ย น, นี่คือสิ่งที่จะเป็นธรรมะปกป้องในใจเราค่ ะ, ะแม้ว่าจะเป็นการเห็นความไม่เที่ยงแบบพื้นๆหรือคะเช่นเห็นใครเสียชีวิตสักคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้มันน่าสังเวชก็ใ ต, ตรงนั้นเนี่ย เราจะมีความไม่ประมาทเกิดขึ้นทันทีนี่แหละมันคุ้มครองเราตรงนี้อ่ามันมันคุ้มครองเราตรงนี้เป็นการคุ้มครองโดยธรรมนะโดยที่ไม่ต้องใช้อญญาจฉรยะไม่ต้องใช้สัตว์ตรานะทีะนี้ที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมในคําถามของคุณโยติ๋วเนี่ยคือพระเจ้าก็จะพูดพุดทธธรรมส่งใช่ไหมค่ะพุทธะคือพุโทโตคือผูร้รู้นะใครรู้ใจเรารู้รู้จากไหนการที่คุณมีธรรมะใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะนะถ้าคุณฟังทั้งหูเนี่ยแล้วคุณเอามาทํา นะทําการปฏิบัติทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือสังขานะสังขาเนี่ยไม่ใช่บางคนอาจจะไปคิดว่าเป็นพระสงฆ์นุ่มอา่ากนผมหม่มเหลืองนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นภายนอกใช่ไหมแต่ที่หมายถึงนี่คือการปฏิบัติของตัวเราเองปฏิบัติของตัวเราเองคือถ้าสมมุติเราปฏิบัติ ด, ดีพราะว่าคุณเป็นสงฆ์ทันทีนะคุณมีสงฆ์อยู่ในใจเพราะคุณปฏิบัติในใจรเราจะตบยุ่งหรอเอ้ยฉัไม่ตบยุ่งหรอ แหมยุ่งก็เป็นสัตว์โลกฉันไม่ฆ่ามันเพราะาคุณมีสงเกิดขึ้นในใจทันทีเพราะคุณปฏิบัติตันดีละนะคะตรงนี้เกิดขึ้นคุณมีธรรมะคุณมีสังขารแล้วคุณรู้เห็นอันนี้สงว่าเออมันเออเรามีความเมตตามีความแจ่มแจ้งขึ้นมาเห็นอันนี้สองอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มีพุทธะพุโทโธเกิดขึ้นแล้วมันจึงมีพุธทธธรรมสองอยู่ในใจของเรา น, นั้นเองตรงนี้สําคัญนะน่าสนใจมากเลยนะคะอยู่ดีๆก็เพิ่งทราบว่าที่ทำๆมาหลายๆคนบ่าโอ้ฉันก็สงละสิ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักษาศีลมากเท่ากับที่พระสงฆ์ปัจจุบัน ร, รักษากันอยู่ก็ตามทาีมันจะมีหลายนัยยะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ถ้าบอกว่าสง์เนี่ยพูดถึงอริยะบุคคลก็มีถ้าสง์นี่หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นนุ่งโผนุ่งเหลืองก้นผมก็มีนะสง์ที่เป็นทั่วทวไปผู้ปฏิบดดัติธปฏิบัติชอบอันนี้ก็มีนะมีหลายนัยยะตัวนี้อ๋อ <c oughs> ค่ะคือรวมอยู่ในบท อ่าสุปฏิปันโนนี่แหลเแต่ว่าเราจะไปอยู่ในนัยยะไหนแต่อย่างเราพื้นๆก็จะไปอยู่ในนัยยะที่เป็นค า, ารวาสแล้วก็พยายามที่จะอยู่ในธรรมอของภะาษาสดาะท่านคะทีนี้สงสัยในบทพระสงฆ์เหมือนกันนะคะที่พูดถึงได้แก่บุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8ปดบุรุษเนี่ยคะ่ะอ่าถ้าจำแนกให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้แก่ใครคะอ่บุรุษคู่ กูมีสคู่นั้นก็คือคโสดาบันคู่มร ก, กับคู่ผลสกาธามีคู่นมามรกและผละแล้วก็อนาคามีมรกและผลแล้วก็อรหัตตมรกและอรหัตตผลอ๋อค่ะไม่ใช่อุบาสุอุบาสิกาพิกษุภิกษุณีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โ อ, อ้ดิฉันเคยเข้าใจอย่างนั้นอแ ต, แต่ถามว่าโสดาบันจนถึงอรหันเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุนีเป็นได้ไหมเป็นได้หมดอ๋อค่ะอ่าเป็นได้หมด นั่นก็เท่ากับว่าในนี้ก็จะบอกเราว่าเราเนี่ยมีสิทจะเป็นได้ทั้งนั้นแหละสําหรับอาญาบุคคลตั้งแต่ขั้นแรกคือโ<ช>สดาบันขึ้นไปเลยเโสดาปฏิมาคเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะคุณยมเดิวค่ะ ค, คือคือเราอย่างที่ว่ามีศรัทธาอย่างลงไม่ได้ไหมดไว้ในพระพุทธบาลประสงค์อหรือจริงๆเ อ, เอาง่ายกว่านั้นก็ได้แค่คุณตื่นช้ามารู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงเอาแค่คุณรู้สึกแค่เนี้ยพวกคุณเป็นโสดาปฏิมาคันดีค่ะ มาร์กก็คืออยู่ในหนทางแห่งการเป็นพระโสดาบันใช่ใช่แต่ว่าอาจจะยังละสังโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมก็ยังเป็นมาร์กไปก่อนละได้ก็เป็นผลเขาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะละสังโยชน์ไหนท่านพูดมาท่านต้องอธิบายเลยนะคะเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่เข้าใจอเอ อ, เ อ, อสังโยชน์นี่หมายถึงเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพค่ะอ่าเรายังมีความร้อยรัดรึงให้คือตัณหานั่นแหละเนี่ยมันยังรึงรัดเราให้ต้องกลับมาเกิดอีกนี่แต่ แต่ถ้าเราสลัดมันออกการเกิดก็จะน้อยลงนะคะอันนี้เข้าใจพื้นพื้นเท่านี้ก่อนใช่่เพราะว่าประเด็นเนี่ยเข้าใจว่าท่านพบูล์คนจะเตรียมพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ท่านคะแต่ว่าก่อนจะพูดเรื่องนั้ น, นยังของพูดกับท่านฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ดินฟ้าอากาศน่าจะเปลี่ยนแล้วก็ส่งผลกระทบกับเราเยอะโดยเฉพาะโรคที่เป็นโรคติดต่อ อ, อย่างพื้ น, พ, นพื้นก็เช่นโรคไข้หวัด ตอนนี้เห็นเข้าโดนอารงณกันมากแล้วก็คนรอบตัวเป็นเยอะนะคะก็คือสายพันธุ์ที่ H1N1 อะไรทํนองเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเป็นแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะซุดเยอะก็พยายามที่จะต้องดูแลตัวเองให้ถูกต้องศึกษาหาความรู้และใครที่เป็นแล้วก็พยายามใส่หน้ากากนะคะอย่าไปเผยแพร่เพื่อนๆอ ค, ค่ะแค่นี้จบค่ะรบกวนท่านนี้เองเกี่ยวกับเรื่องอาการที่เราจะต้องเจ็บไข้ป่วยไข้นี่แหละคุณโยมติวที่ <c oughs> จะพูดถึงประเด็นตรงนี้มันเกี่ยวกับ <c oughs> พระพุพะทธธรรมประสงค์ด้วย หลังานะ <Okay. S 1> น, นั้นพรชาอยู่ที่ เ, เมืองกบิลพัทนาะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองเอก็มีเจ้าเจ้ามหานามะนะชื่อชื่อมหานามะเป็นเจ้าศักยะมาถามพรชเจา ว, ว่ า, าคนที่เจ็บไข้เนี่ยคนที่ป่วยไข่นะกำลัง <Okay. S 1> พูดถึงคนที่ป่วยว่าจะเป็น h 1 n 1 h 5 n 1อะไรก็ตามนะเราจะปลอบประโลมคนที่เจ็บไข้เนี่ยยังไงดีนี่เป็นคาถามที่มหานามะก็ชงมา เราจะปลอบประโลมคนที่เจ็บไข้เนี่ยยังไงดีค่ะทีนี้ข้อแม้เขามีอยู่ตรงนี้บอกว่าผู้ที่มีปัญญาจะปลอบประมผู้ที่มีปัญญาที่เจ็บไข้เนี่ยว่าอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บไข้นั่นก็ต้องมีปัญญาดีหนึ่งนะอ ค, คนอที่จะไปปลอบประโลมเขก็ต้องมีปัญญาดีหนึ่งนะค่ะดิฉันเข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นหนักกว่าพวกโครคไข้หวัดสัหน่อยนะคะโ <c oughs> <c oughs> ดยไข้อะไรสักอย่างใด อ, อย่างหนึ่งอาจจะมะเร็งขั้นสี่หรือว่า <คน S 1> อย่างใดอย่างหนึ่งละหัวใจอะไรที่มันจะ เป็นแล้วอาจจะตกใจค่ะผู้ป่วยต้องมีปัญญาปัญญาอย่างไรคราจารย์อ่ า, าปัญญาในการที่ตรงนี้อธิบายไวย้นะพูดถึง อ, องค์ประกอบของการที่จะไปไปปลอบประมเขาก่นอนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่างั้น <c oughs> คุณเนี่ยควรจะไปปลอบประมคนที่เขาเจ็บไข้นะว่าให้ถึงความเบาใจนะให้ถึงความเบาใจว่าก็ตัวท่านน่ยมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์อิติปิลานะอิติปิโสไปแล้นะค่ะแล้ ว, นะวท่านพึงถึงความเบาใจว่าก็ตัวท่านเนี่ยมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ดีแล้วอ่านี่สวัสดิสวัสดิตัวนะค่ะแล้วท่านก็ควรจะมีความเบาใจว่าตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ แตว่า <Okay. S 1> สงสารพวกของพระผู้มีาระพุทธเดียวดีอันนี้เป็นสุติสุปฏิปโนไปแล้วนะ <Okay. S 1> นี่ข้อที่สานะแล้วยังมีข้อที่สี่ถามให้นะว่าตัวท่านเนี่ยควรจะมีความเบาใจว่าเราประกอบพร้อมด้วยศีล น, นะชนิดที่เป็นศีลที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอั <Okay. S 1> นนี้ปูญ ย, ยอยคือ4อย่างนะความมั่นใจในพระพุทธหนึ่งความมั่นใจในพระธรรมสองความมั่นใจในพระสงฆ์สาม นะมีสีนชนิดที่เป็นสีนที่ไม่ขาดไม่ทรลุไม่ด่างไม่ปร้อยสีสีอย่างนี้แหละคือผู้ที่ป่วยเจ็บไขนะ้เราควรจะถูกเตือนด้วยสี่อย่างนี้เพื่อให้ถึงความเบาใจว่าโอ้ฉันมีสี่อย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าปัญญาของผู้ที่เจ็บไข้เนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาอย่างน้อยก็โสดาปฏิมักก็ในกรณีที่ถ้าเจอคนเจ็บไข้เพื่อที่จะให เขาเนี่ยฟังแล้วเกิดรู้สึกอุ่นใจขึ้นทันทีในธรรมที่ไปให้ก็ถามกลับไปที่ว่าตัวของคนไข้เองนั้นมีความศรัทธายอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในเรื่องของศีลใช่ไหมคะถูกต้องศีลของท่านเมื่อสักครู่ท่านมีสร้อยท้ายด้วยว่าต้องเป็นศีลเพื่ออะไรนะคะเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อสมาธิคือบทพิธมั น, นต่างกันยังไงคะกับศีลธรรมดานะะมนเ น, นี่ยอ่ามันบทพิธีเจ้าหน้งบี่จ้าจะเน็บเนี้ยเป็นอย่างนี้นะบอกว่าศีลเนี่ย เป็นศีลที่พอใจของพระอริยเจ้านพอใจของพระอริยเจ้าคือพระอริยเจ้าเนี่ยจะยกย่องคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่หนังไม่ป้อยอันนี้ชุดหนึ่งนะเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตันหาไม่ถูกตันหาและทิฏฐิรูปคล่ําอันนี้คือข้อที่2นะและเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิไม่ขาดไม่ทะลุไม่หนังไม่ป้อยเป็นยังไงอย่างสมมติว่าคุณรักษาศีลห้าได้เป็นปกติทุกวันเลยแต่ปรากฏว่า1โอ๊ยเดินไปเหยียบมดตายอ่ะมันด่ังไปนิดหนึ่งอย่างนี้ไม่อนมีความด่ังเกิดขึ้น นะแต่ว่าในช่วงที่ก่อนนั้นถ้าเราทําเราไม่ขาดไม่ทุรุไม่ดังไม่ป้อยเลยสบายใจอันนี้ดีอยูนะอ่ที่เป็นอิสระจากตันหาและไม่ถูกถูกทิฐิรูปคลั่มอย่างเช่นบางคนเนี่ยปฏิญญาว่าฉันจะไม่ดื่มเหล้าแต่ปรากว่าไปงานเลี้ยงสัก ง, งานหนึ่งไม่รู้ลูกน้องมันเอาน้ําอะไรมาให้ดูเหมือนสีชานะกินเข้าไปเอามันเหล้านี่นะกินเข้าไปกึนล่วงลาคอไปแล้วเนี่ยเลยก็ไปด่าลูกน้องวุ่นวุ่นวุ่ ว, ว, ว, ว, วไป อ, อันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วแสดงว่าถูกตันหาและทิฐิรูปคลัมอยู่ ปกติเนี่ยศีนเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อสมาธิบางคนรักษาศีลแล้วก็เที่ยวด่าคนนั้นคนนี้จิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ไม่ถูกเดียฉันไม่เข้าใจเหมือนกับที่ท่านอธิบายนะคะตอนดูบทพยัญชนะเนี่ยกลับเข้าใจไปว่าอิสระจากตัณหาหมายความว่าในการรักษาศีลของเรานั้นเราไม่ได้มีความอยากอย่างอื่นคือเหมือนกับว่าไม่ได้รักษาศีนเพื่อจะให้รวยไม่ได้รักษาศีนเพื่อจะให้สวยเข้าใจอย่างนั้นค่ะอ่อือืมอันนั้นก็จะเป็นคืออันนั้นมันเป็นอันนิสง์ของศีนที่จะได้อยู่แล้ว อ่าว่าศีลไม่ไปเพื่อโพก็ษาศีลไม่ไปเพื่อวันนะอันนี้มันได้แล้วแต่ถ้าเราจะอาศัยศีลแล้วทําอกุศลธรรมอันนี้ไม่ควรอันนี้คือข้อตรงนี้นะอ๋อคือไม่ไม่ใช้ไม่ไม่เป็นผู้ที่ว่ารักษาศีลแต่ก็ยังทําอกุศลธรรมอย่างอื่นอย่างเงี้ยอย่างอื่นะนะคะทีนี้อบางคนพอมาถึงข้อสารเนี่ยจะบอกว่าสามข้อน้อยเพะท่องมาตั้งแต่เด็กะนะคะ แล้วก็ศรัทธายอย่างนี้แต่พอมาถึงข้อสี่พอบอกว่ามันต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระจากตันหาไม่ถูกทิฐิลูกคลําตลอดจนเป็นไปเพื่อสมาธิก็ใจเสียเลยค่ะอตลอดเวลาก็ไม่ได้อยากจะโกหกใครเลยอยู่ดีๆคนเรารักนับถือมากเขาคุมาบอกให้เราโกหกเรื่องง่ายๆไม่ได้น่าเกลียดหน้ากลัวทาให้ใครเสียหายก็ช่วยให้โกหกไปหน่อยหนึ่งแล้วเพิ่งคิดได้ได้ฉันขาดทะลุด่างพร้อยซะแล้วแก้อย่างไง ก็คือในทางความเป็นประสงค์เนี่ยเราก็ต้องเปิดเผยความผิดของเราออกมาดังนั้นในความเป็นครรวาเนี่ยเราก็เปิดเผยความผิดของเราออกมาที่เราพูดผิดเราก็พูดให้มันถูกซะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไปแก้ไขเราก็บอกกับเพื่อนที่เราสนิทหรือว่าคนที่จะเก็บความรับของเราได้หรือเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเราบอกเขาเรื่องนี้ได้แต่เพื่ออย่างน้อให้เรามีความสบายใจเปิดเผยออกมานะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยก็หน้าที่จะ เหมือนกับได้ปัญญาใช่ไหมคะที่พูดประเด็นที่อาจารย์ต้องการพูดตรงนี้คือบางคนป่วยแล้วมันตกใจใช่คือตกใจก่อนอย่างเช่นในในสมัยพุทธกาลก็มีพระวักกะลีอย่างนี้เป็นต้นป่วยแล้วก็ตกใจแบบว่ากังวลใจวุ้ยทาไมฉันยังไม่ได้ตั้งแต่บวชมายังไม่ได้ไปเฝ้าพระเจ้าเลยอย่างเงี้ยก็เลยให้อุปถาเนี่ยไปนิมนต์พระเจ้ามา่ว่าอยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าถามว่ายังจะกังวลเรื่องเรื่องอะไรเพราะว่าตัวเองยังมีสีอยู่ไม่ต้องกังวลเลย คือต้องแสดงความให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าเราจะมีความร้อนใจมีความกังวลใจเนี่ยเป็นผลของการที่เราไม่มีศีลแต่ถ้าเรามีศีลคุณจะต้องกังวลใจอะไรก็ใช่ไหมบางคนจะกังวลใจว่าเอแล้วมันจะหายไหมเราจะรักษายังไงทางเลือกมีไหมหมอคนนั้นมันกังวลไปหมดเลยนะคะะมันคิดอะไรไม่ถูกบอกอะไรไม่ได้คนพ่นอะไรไม่ฟังเดี๋ย ว, ยวต้องเรียกมาเตือนนิดหนึ่งค่ ะ, ะท่านคะทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่า ที่พระพุทธองค์สอนและท่านมาถ่ายทอดนี น, นะคะไม่น่าจะช่วยทําให้คนป่วยเบาใจจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเพราะว่าพูดแต่เรื่องของการศรัทธาพระรัตนตรัและการมีศีลที่ดีใช่ไหมคะออื <c oughs> ไม่เห็นพูดถึงว่าพวกนี้จะเยียวยาทําให้อาการป่วยดีขึ้นได้คุณยงติ๋วรู้หรือเปล่าว่าความเจ็บไข้เนี่ยเป็นธรรมดานะบุคคลมีความเจ็บไข้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาคนมันจะเกิดขึ้นได้ แต่บางทีมันตกใจก่อนไงเพราะฉะนั้นถามว่าคุณเป็นหวัดอ่ะแหมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เข้าใจไหมค่ะแต่เราตกใจไปแล้วเอาเดี๋ยวคุณเบาใจก่อนเรากําลั ง, ย, งยังไม่ได้พูดถึงว่าปัญหามันจะแก้ไปแนะว่าคุณจะเอายาอะไรใส่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงตอนนั้นแต่<ะ>อย่าเพึ่งตกใจ<ะ>อย่าพิ่งตกใจ<ะ>เพราะถ้าตกใจแล้วมันจะตัดสินใจผิดพลาด<ะ>มันมันจะกลัวก่อนจะสร้างอกุศล ข, ขึ้นมาได้<ะ>เดี๋ยวด่ากราดอย่าพึ่งอ้าจะทําใจให้สบายก่อน แล้วค่านปล่องก็คือให้ทําใจให้สบายก่อนให้มั่นใจเถอะคุณเป็นบุตรพระพุทธเจ้าซะขนาดนี้ใช่ธรรมะย่อมคุ้มครองในระดับหนึ่งอย่างน้อยคุ้มครองใจเรานะให้ไม่กระวนกระวายรุ่มร้อนอ่ะใจที่มันสบายไม่มีความร้อนใจอ่าแต่สินใจคุณจะรักษาแบบไหนนะคุณจะเอาเงืประมาณมาจากไหนคุณจะทํายังไงก็ค่อยว่ากันไปตรงนี้ค่ะท่านคะแล้วในส่วนที่จะได้ประโยชน์ จากในบทพ ย, ยัญชนะเลยที่พูดถึงคู่แห่งบุรุษ4ี่คู่แล้วท่านบอกว่าเป็นพระอริยะบุคคลอยู่ในนั้นเนี่ยในเมื่อท่านบอกว่าใครที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงใช่ไหมคะใชะ่ปฏิบัติควรก็สามารถที่จะเป็นสงฆ์ได้ด้วยตัวเองเหมือนกันได้แก่คู่แห่งบุรุษ4ี่คู่เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นในระดับไหนเดี๋ยวก็เลยคิดว่า อันนี้จะทําให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกําลังเดินมาร์กอยู่ไม่ว่าขั้นใดขั้นหนึ่งถูกต้องอันนี้คือเป็นสีลานุสติของเขาด้วยค่ะนะเป็นเ้าเรียกว่าระลึกถึงการปฏิบัติ ด, ดีของตัวเองก็คือสังขารนุสติในตัวเองได้ค่ะ เ, เรื่องที่สําคัญของของเรื่องที่เอามาถ่ายทอดในเรื่องของความเจ็บไข้เนี่ยมันยังมีต่อตรง น, นี้คุณโจมติวนะบอกว่าพอเราระลึกถึง4อย่างนี้มีความเบาใจมีความสบายใจแล้วเนี่ยให้ถามเขาต่อ นะถามคนที่เจ็บไข้ป่วยไข่ยอยู่เนี่ยว่ายังห่วงใยในกามกุ่นเอายังห่วงใยในมารดาบิดาไหมยังห่วงใยในบุตรภรรยาหรือเปล่าแตนะ่ถามก็อย่างนี้ถ้าเขาบอกยังห่วงอยู่อ้าวแต่เป็ไงละ่ะก็ต้องปลอบประโมเขาต่อนะคือคนเจ็บไข้าบางทีมันเสี่ยงต่อความตายเจ็บหายก็มีเจ็บแล้วตายก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะ ก, กังวลเนี่ยต้องเตือนเขาให้ทราบว่าเออมารดาบิดานะบุตรภรรยาหรือว่าสามีก็ตามเนี่ย เขาก็เป็นไปตามเป็นไปตามกรรมนะก็ตายก็ได้อยู่ก็ได้แต่ถ้าเราเป็นห่วงเขาเขาก็ตายอยู่ดีถ้าเราไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ตายอยู่ดีงั้น <Okay. S 1> คลายความห่วงใหยซะไว้ยอย่างนั้น mm hmm. นะปลอบประโลมเขาให้ยิ่งขึ้นนะคือเพ <Okay. S 1> ราะบางคนเจ็บไข้แล้วจะห่วงคนรอบข้าง <Okay. S 1> นะอันนี้เป็นไปได้ก็ผู้าก็ได้บอกข้อ น, นี้ <Okay. S 1> นะท่านั้นยังไม่พ อ, อถ้าเขาคลายความห่วงใยตรงนี้แล้วนะต่อต่อ ถามเขาตอว่ายังห่วงใ ย, ยในทรัพย์สินสมบัติบ้านเรือนห่วงใ ย, ยในกามคุณคลท่นเป็นของมนุษย์อยู่ไหมถามก็ลักษณะนี้แล้วก็บอกยังเป็นห่วงอยู่อ ย, อยากไปเที่ยวที่นั่นอยู่อยากมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่นะให้บอกเขาว่าออจริงๆแล้วความสุขของพวกเทวดาเนี่ยมันมากกว่านะให้ละให้พรากจิตนะพุทธเจ้าใช้คํานี้ให้พรากจิตออกจากกา ร, รคุณคลท่านเป็นของมนุษย์ซนะแล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดา น่าไล่ไปปุชฌาก็ไล่ไปตั้งแต่เทวดาชั้นจตุมาราชิกานะเอ้าให้พรากจิตจากความสุขของเทวดาชั้นจตุมาราชิกาไปชั้นดาวดึงให้พรากจิตจากความสุขของพวกเทวดาในชั้นดาวดึงนะไปชั้นดุสิตน่ะที่เหนือกว่าดุสิตก็มียามาเหนือกว่ายามาก็มีนิมมาราตดีเหนือกว่านิมมาราดีก็มีปรติญญาตสวัสดีอย่างงี้ค่ะเหนือกว่านั้นพรหมโลกคะเหนือไปขึ้นไปอีกนะก็บอกเขาต่อว่าแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงนะยังนับ นับเนื่องในความมีตัวตนไม่เที่ยงไม่ยังยืนให้พรากจิตออกจากประมโลกซะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัวตนแล้วถ้าเขาวางได้พางเลยคุณโยมติว๋วเป็นพระอาหารหันต์เดียวนั้นโ อ, โอ้สุดยอดมากเลยนะทีนี้ดีฉันเข้าใจว่าคงจะเป็นการไปปลอบประโลมผู้ป่วยอาการหนักนะท่าเนี่ยอง ม, <c oughs> ม, มีปัญญา <c oughs> ม, มากเลยเสียล ะ, ละจะรอดหรือไม่รอด ใช่ไหมคะพน่นจะขวัญเสียมากแต่วิธีการแบบเนี้ยคือไม่ต้องขวัญเสียไอ้ที่ไปอาจจะดีกว่านี้ถูกต้องถูกต้อง่างต่างค่อตรงนี้นิดหนึ่งที่พระเจ้าเคยพูดไปในพระสวดอื่นนะที่เปรียบเทียบเหมือนว่า เ, าเราเราละกายของเราเนี่ยเหมือนกับมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับหม้อดินนะไปเอากายใหม่ที่เป็นเทวดาเนี่ยเหมือนกับภาชนะทองคำนะจะดีกว่านี่เคยเปรียบเทียบไปอีกที่หนึ่งละหม้อดินไปเอาภาชนะทองคําใช่ค่ะ ดิฉันก็คิดว่าเราคงจะได้บทสรุปสําหรับคนที่มีจํานวนเยอะเลยแม้กระทั่งตัวเองก็เคยพบว่าเวลาจะไปเยี่ยมไข่คนที่ป่วยหนักๆแล้วดูเหมือนกับว่าทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยบอกไม่ให้โอกาสแน่นอนเราก็ไม่รู้จะไปพูดกับท่านทั้งหลายนั้นอย่างไรวันนี้ก็เป็นหนทางในการที่ท่านไปบูลแนะนําไว้ต้องกราบมงสการขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ เ, เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำ ม, มาดีๆแบบนี้ขอใหม่นะคะกราบมงสการคะ่ะ ระหว่างที่ครบคะถ้าทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือในการเยี่ยมผู้ป่วยนั้นจะปลอบประโลมกันอย่างไรก็เริ่มต้นให้ผู้ป่วยมีปัญญาถามเข้าไปว่าเข้าถึงพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิหรือไม่จบแล้วก็ถามว่ายังห่วงใยบิดามารดาบุตรภันยาไหมแล้วก็ต่อ ด, ด้วยห่วงทรัพย์สมบัติห่วงกามคุณทั้งหลายไหมจากนั้นให้สติเลยว่าอย่าไปห่วงเลยเพราะว่า แปล ว, ว่าข้างหน้ามันอาจจะมีดีกว่านี้ไปหาพบที่เป็นเทวดาในลําดับขั้นต่างๆพรากจิตจากจิตมนุษย์เนี่ยไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นอาจจะไปสู่อริยะบุคคลได้นี่ก็สรุปเท่านี้แล้วกันนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการสันสนีสนทนาโดยพระภัยบุญอภิปุลโนเป็นผู้มาให้ธรรมะกับพวกเราจากวัดป่าดอนหายสุดอนธานีและดิฉันสันสนีนาคพง์นะคะพุทธสวัสดีคะ่ะ